เทพอบรมพระวันที่สิบกันยายน2521รเข้มข้นดีมากแต่ต้นมัชชิมามีหลายประเภทจึงจะทันกับกิเลสตัวเล่เหลี่ยมร้อยสันพันคมเมื่อกิเลสตัวเป็นพิษมีอยู่ภายในใจสัมผัสอะไรต้องเป็นพิษเป็นภัยทั้งสิ้นการเยี่ยมป่าช้าย้อนเข้ามาเยี่ยมป่าช้าภายในให้เห็นแจ้ง แล้วปล่อยวางฟังอัดได้ปลุกใจดีมากจากนั้นก็พูดธรรมะแง่ต่างๆพูดจนถึงด้านบีและพูดถึงที่สุดจิตตะอวิชชาน่าฟังมากฟังอัดได้ทั่วไปเป็นรถสายที่ผมจะเป็นจิดราม บ, บ้านช่องขึ้นมาไา้ ทิเลืดมันหลายประเภทเครื่องมือที่จะแก้ที่เลืก็ต้องหลายประเภทรวมแล้วเรียกว่ามัจจิมาที่เหมาะสมกับทห้สติปัญญาความเพียรให้เหมาะสมกับกิเลือประเภทนั้นๆถ้ามันดื้อก็เอาให้หนักนะสติก็ใช้อย่างเต็มที่ปัญญาความเพียรก็เอาเต็มที่ปัญญาก็ใช้อย่างเต็มที่ควาดปั่นลงไปให้มันแหลกมันอยู่กับมือเรามันนี่เรียกว่ามัจจิมาเหมาะสมกับที่เลสประเภทนี้ เวลาละเอียดลงไปมัจฉามาก็ละเอียดสสติปัญญาก็ละเอีย ด, ดตามๆกันเป็นความเหมาะสมกันไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเพิงทราบว่าคำว่ามัจาปฏิปทาไม่ใช่จนถูนทั้งรุ่นนะฮะมีลักษณะท่าทีหมุนคันกับที่เลสทุกประเภทที่เลสออยากปัญญาก็หนักอัญญากลาสู้กันก็ต้องหนักความเพียนต้องหนักน mm. อยู่ในเต็นบังคับบังาต้งบัคับบังตามันยังไม่ถึงเต็นเป็นอัตโนมัติมันก็ต้องได้บังคับบังตาซะก่อนเพราะจิตยังไม่เห็นผลของงานยังไม่เห็นผลของสมาธิมี่งยิ่งขี้เกียจภาวนาไม่อยากทำพอเริ่มเห็นผลสมาธิคือความทั้งหมดมันเกิดเกิดความเย็นใจเกิดความสุกเกิดความแปลประลาดขึ้นมานั่นแหละคือผลที่นี่คือเป็นเครื่องดุจดึงจิตใจให้มีความภาคเพียรต่อไป พอเป็นสมาธิแล้วทางด้านปัญญาผลเกิดขี้ทางด้านปัญญ า, า, า, ามันยังไม่มีมันก็ต้องระงับพัดทางด้านสัญญาให้พู้เจริญหนมาม่อย่างนั้นติดสมาธิเติดสมาธิแล้วถอนตัวไม่ออก่เข้าใจว่าความมุ่งสุดอยู่กับสมาธิเข้าใจว่านิพพานอยู่กับความอยู่กับสมาธิไปแล้วเลยกลายเป็นความผลผิดพลดการเข้าใจอย่างนี้มีเวลาที่พิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาแยกแยะเรื่องขาดเรื่องขันเป็นอนิจจังทุก ข, ขังนาตาหรือเป็นอสิธาอสิพังให้จิต จ, จ่ออ ย, นนออ ย, อยู่นั้นตำนานไม่รุนักถอยหลังหมุนจิ๋วที่สติเป็นเครื่องคบคุอย่าคิดเรื่องอะไรทั้งหมดเวลานั้นเป็นเรื่องอดีตอนาคตไม่สําคัญยิ่งกว่าเรื่องปัจจุบันที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นเมื่เราได้ถูก ผมอบรมอยู่เสมอถ้าติย่อมมีความติดต่อกันไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเรื่องขึ้นไปเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์อะไรมาสัมผัสสัมผันม์้ดสติจะมาทันทีปัญญาจะวิ่งตามมันปั๊บปั๊ไปพร้อมกันสติกับปัญญาเวลาปัญญามีความทำงานขึ้นแล้วก็เป็นหน้าสติมีความทํางานก็อะไรเรได้เร็วๆเวลามีสิ่งมาสัมผัสเกิดขึ้นจากการที่เราอบรมอยู่เสมอแล้วย่อมมีความเจริญเติบโตขึ้นได้ เนื้อมันก็เด็กที่ไดรับ ก, การเรียนดูดืวยความถูกต้องปัญญาการเป็นเนนพื่อนร่วมและทตั้งใจเป็ผลิตปฏิบัติงานของธรร ม, มะคืองานเพื่อสอดถอนที่เด็เป็นงานสำคัญเป็นงานฝากเป็นฝากตายเพื่อความพ้นผูกงานนี้เป็นงานเพื่อความพ้นผูก ถึงจะทุกขเพราการประอกอบความภาคเพลียนโดยประการในความตามทุกนี้เป็นทุกเพื่อจะให้เกิดสิทจนถึงจุดที่หมายเป็นความสุขอย่างยิงย่งมันควรจะอิหนาละอาใจเพราะความทุกข์ยากลําบากในเหตุคือการกรประอกอบความภาคเพลียนหนักเบามากน้อยผมจะเล็งถึงผลมันก็สลดเลิศโลกเมื่อชนะเต็มที่แล้วเต็มภูมิแล้วไม่ต้องไปยุ่งอีกงานนี้สำเร็จได้ตามาพระเจ้าท่านผมสาเร็จมาแล้ว ภาษาโวะอรหัสรหันสิเล็ตมาแล้วก็ไม่ต้องดุ่มกับเรื่องงานก็ถอดถอนที่เล็ตเพที่เล็หมดไปแล้วเอาอะไรมาถอดถอนกระทรวงพาตองขันดูครับตามมันเวลาที่มันจะดับจะหลเท่านั้นเองมัเห็นมีอะไรครังนี้สิเล็ตจุดภายในจิดมากน้อยนี่ก็คือมียาคิดเขาลงจิตใจตลอดเวลาภายนอกก็เป็นพิษถ้าลงจิตใจเป็นพิษแล้วออกทางตาทางหูทางจมูกเทางยินทางกาย ไปถุงรูปเขียงกินน้ําโลดเรื่องทั้งผัดมันเป็นคิดด้วยกันทั้งนั้นเข้ามาค้าเท้ากันแล้วพอเป็นกองคิดอันเดโซกเป็นไฟเป็นองใหญ่เผาติดเผาใจให้ดเด็ครับความเดือดร้อนให้หยุดหย่อนนี่เพิ่งทราบว่าโทษแห่งความมีที่เหลือและโทษแหงความไม่มีเท่าติดโทษแหงความไม่ระมัดระวังรักษาตัเองมันจึงสามารถเป็นนาสิ่งภายนอกซึ่งเขาก็อยู่การสภาพของเขาแล้วเอามาเป็นคิดเป็นไฟเผาหล่นตัวเด่นได้ รูปเสียงเลิ่นรสเขาอยู่ตามหลักธรรมชาติบนเขาซึ่งมีมาตั้งแต่เราย่างไม่เกิดมันมีมาตั้งแต่การไหนกหนันเราถึงถ้าเร า, าไปคำพันมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าทางสิ่งนั้นน่าเกลียดสิ่งนี้ น, น่าโกรธแล้วมันจะว่ามีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะความสํางพันอย่างนี้เป็นการสร้างทีเดลวคือสมุภัยแดนติดทุกขึ้นภายในจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาก็ติ ดิจิทัลภานาระมัดระวังรักษาตัวายเป็นของที่มีค่ามากเวลานี้เรามารักษาบำรุงจิตใจให้กระแสนุ่นค่าเป็นภูมิของใจซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากอยู่แล้วจริงทุกจิง ท, ทุกอย่างทั้งที่มันดับสนายไปหมดมีการเกิดการดับการเกิดการดับอ น, นิจรังสุกขังตาดับไปหมดตัวจิตแท้ๆนั้นไม่มีอนิจจังสุขขังตาเข้าไแทรกเลย แต่ที่เป็นนิจังทุกการนับตาได้ก็เขามีกิเลสซึ่งเป็นตัวผนู้อภายในนั้นอันเป็นเรื่องของไตรลกักษณ์เนเดียวกันจิตจึงมีแรดาอาการนุรู้ น, นอนทุกสูงต่ำเดียวสวางเดียวสงบเดี๋ยวุ้งตั้งเดี๋ยวป่งวปองใสเดี๋ยวข้าหมองนี่เป็นอาการของทำอาการของกิเลสที่มีอยู่ภานจิตใจเมื่อหมดสิ่งเห่านี้แล้วจิตใจจะไม่มีแสดงอาการอะไรทั้งสิน้นสม่ำเสมอหรือว่าคงเคงส้นคงวาตั้งแต่ขณะได้ถึงแล้วซึ่ง ความคงคงที่ของกิจเป็นจิตล้วนๆ น, นั่นอ น, นั้นไม่มีคำว่านิกังทวกขังรักษาไม่มีหมดนั่นหละความหมดเรื่องสริงขย่าต่อกก่อควรทั้งหลายที่เรียกว่าอันยันทุกขังรักษานั่นแหละคือแดนของความกะเสีแท้อยู่ตรงนั้นเนี่ยผลของงานที่การปฏิบัติยากลำบากแค่ไหนเมื่อไปถึงนั่นแล้วมันก็เห็นเองกุ้มผ่า ขอให้ทํำใจหนักแน่นนักปฏิบัติเพศนี้เป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่ไข้ครวนเป็นเพศที่นี้พิการณาถ้าเป็นเพศที่เลอกแหลกยกโยกคอนกรเป็นเพศที่มีความมีความหนักง่วงไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นเพศที่สุขขุม่มภารกิจมีเหตุผลเป็นเครื่องดําเนินอยู่เสมอฝึกใจให้มีเหตุดีวผล เพราะเหตุผลนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นไ ด, ด้ที่เฉยเหตุผลขั้นยาขั้นการขันละเอียดเกิดขึ้นจากปัญญาขั้นการขั้นละเอียดที่เจรนาเทียบเทียมเมื่อนานไปนานไปก็มีความข้างแฝงการพิจารณาและเหตุผลก็มาตามกันมาแม้แการแก้กิเลสเทเหมือนกันต้องแฝงด้วยเหตุผลรู้ชัดเห็นจริงด้วเยเหตุโดยผลและกิเลสจะหลุดลอยไปทันทีบัทงทีถ้าตรงไหนที่ยังไม่ เขลงกันยังไม่ได้ก็แสดงว่าเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็แก้กันยังไม่กหมดต้องแก้กันอย่างนั้นพิจารณาแยกแยะจนหาช่องทางไปได้ด้วยเหตุด้วยผลที่เหตุนั้นก็หักไปหลุดลอยไปได้หรือเป่าเข้าใจครับเมื่อเข้าใจคร้นแล้วก็พน้องตรึตกตอบไปทําที ท, ทันใดการคิดอยูนอย่างน บทบายของพระพุทเจ้าสุโรงสั่งสอนสัตโลกเฉพาะ อ, อย่างยินนักบวชผู้ปฏิบัติต้องเช่นผุ้ดวงที่สามเป็นความละเอียดละออมากทีเรียกเรายังเห็นความหมายของดวงที่สามเช่นการเยี่ยปา่าช้านี่ละเอียดขนาดไหนเพราะตั้งแต่อยากตั้จะดู อ, อ, ทอุทกธาตุช่างกองอุจจาระตุ๊กหังหน้าตาเกือนคนในปา่าช้าแล้วมาเทียบเคียงกับตัวของเรา ตัวของเราเนี่ก็คือปาธธ่าช้าผีดิบนี้เป็นแต่เพียงจิตใจยังฟองร่างอย่นี้ลมหายใจถึงต้องเดิน่านเข้าออกอยู่เสม อ, อพอคำรู้สึกนั้นคือใจนั้นถอนตัวเสียไปเสียเท่านั้นลมหายใจก็หยุดพันธสีไม่มีอะไรเหลือะจะทีนี้ก็เป็นปรชาช้าผีตายแล้วคุณป่าช้าผีดิบกับมีอะไรอยู่นี่ภายในตัวของเราเนี่มีอะไรอีอกศพเต็มศพไป ทัพปะเทศเต็มอยู่ในนี้หมดพิจารณาให้พนี่เรื่องของปัญญาที่ให้พิจารณาไปเยี่ยมป่ชาช้าก็คือให้พิจารณานั้นซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานนี่เป็นหลักฐานได้นั้นเอามาเทียบใครในตัวเองพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็หายกังวลหายสงสัยเรื่องปัชาช้าข้างนอกนู้ก็พิจารณาเรื่องป่าช้าข้างในหาพิจารณาลงไปเมื่อพิจารณารู้เท่ากายทุกสัดทุกส่วนแล้วเวทนาทาัญญาตั้งถามวิญญาณทํำไมจะไม่รู้ละ่ะนี่ย พระองค์ครามนี้มีความละเอียดขนาดนั้นทีนัน่อยากให้หมูก่กล้วยยู้ได้เห็นธรรมของเจ้าที่ทรงสอนเพื่อโลกนั่นสอนด้วยพระเมตตาจริงๆอยากให้สังขโลกได้มีความสุขได้รู้จริงเห็นจริงจริงๆไม่ได้สอนแบบเปลา่าๆสอนอย่างจริงจัง้าเป็นที่เข้าใจาแล้วผู้มาปฏิบัต ขอให้ปฏิบัติดังจริงทางอยากขี้เกียดความขี้เกียดความอ่อนแอบริเริ่านี้เป็นเรื่องของชีเิต อ, อย่าให้มันมาแทงออกาะหน้าได้เราตั้งใจจะฆ่าชีเิตตั้งใจฉันพระธรรมชีวิต อ, อ, อย่าให้อยได้วิ่งตามชีวิตพอวิ่งตามมันแล้วก็ต้องหลอกกอกเปิดเกาะเปิดถูกมันลากมันสูไปนรื่อากไปเรอกหอกเปิดไปเ ร, รือร่อยด่วน เบืงต้นเนี่ยการพิจารณาร่างกาย น, ก น, นีสำคัญมากข้างนอกก็าตามข้างในก็ตามเป็นมากได้โดยตัดอสุภะข้างนอกถึงการเยี่ยป่าช้าความปะตุกูลภายนอกคำป่าช้าภายนอกป่าช้าภายในเป็นมากได้หรือเป็นมัจจิมาปฏิปทาเป็นทางเดิมต่อควา ม, มพ้นทุกข์ได้เหมือนกันมันจะให้พิจารณาอย่งเือน ยอ้อเข้ามาได้รักฐานภานในตัวเองแล้วเรื่องเหล่านั้นก็หมดปันหาไปเองมันก็หมุนตัวอยู่ภายในร่างกายเห็นจริงไปทุกส่วนของมันเห็นอย่างเดียวเท่านั้นมันก็อาจารยไปหมดเพราะมันเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูมามากม้ามหมักหัวใจตับทางขวุดไตใจปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเ น, นี่ยวนี้เปนว่าอาการฐานที่สอง เป็นธาตุดีดูอันหนึ่งนู้นนี่มันก็ระจายทั่วไปหมดอันนี้จางทุกอาการามันเหมือนกันมันมีอยู่ประจําทุกอาการเหมือนกันลมพัดขึ้นบ้องบนลมพัดลงบ้องต่าลมในเท้าลมในชัลมในแช่ลมพัดไปพัดมาลมพัดไปตามตัวลมหายใจไงนี่เขาเรียกว่าธาตุลมไฟคือความอบอุ่น ที่มีอยู่ในร่ า, กางกายธาตน้ําประคุมธาบอยู่ตามสารพันธุน่างการของเราขึ้นน้ำเหนือนเป็นต้นในร่ า, กางกายของเรานี่มีธาตุมีน้าประคุมธาบอยู่ทั่วไปหมดทั้งสี่นี่มารวมตัวกันเข้าโดยใช้จิตมาเป็นจับมาจับจองเป็นเจ้าของ มันเปเครื่องสื่อารมาเป็นผู้รับผิดชอในส่วนต่างๆส่วนต่างๆนี้จึงเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นผู้รู้เป็นผู้มีวิญญาณขึ้นมาเราจะเรียกว่าคนแล้วก็ติดคําว่าคนไม่ได้คิดคํานึงเลยว่าคําว่าคนนี้มาจากธาตุอะไรมาจากธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟต่างๆมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มีการพิจารณาให้ถึงความจริง ตามความินเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจนเข้าใจได้ชัดแล้วท่านจะทนไปถือดินน้าลมไฟว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหมุนเป็นถายได้อย่างไรมีชัดหนึ่นนงนั้นปัญญาอย่างลงถึงความปีงนี่ไม่ปลอมเพราะนี่เป็นธาตุดินพัานาน้ำพันลมพันไฟจริงๆ ท, ที่ปลอมก็คือจิตทั้เรามันปีนเกียวกับธาตุดินพันน้ำพันลมพันไฟไปว่าเป็นเราเป็นของเรา แปลว่าเป็นหญินเป็นชายเป็นจัดเป็นตุลนนั่นแหละท่นเดียวกมันกินเทียวกับทำความรู้ความเห็นเช่นนี้เป็นค่าสุดต่อธรรมจึงต้องพยายามลบล้างค่าค่าสุดแบบนี้ด้วยการพีจะน้ำเห็นตามความกินคือถ้าผีดีน้ำลงไปหรืออันิจ้จากทุกภาวะอาตาก็าจะลบล้างของตอนทั้งหลายถ้ามันมีเหลือตั้งแต่ความกินล้วนๆเมื่อเรืู้ความกินล้ ว, น, วนแล้วจิตก็ถอยถอนตัวเข้ามาอุปทานมันจะฝังลึกขนาดไหน ถ้ลงปัญญาแลพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันถอดถอนมาได้หมดไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นส่วนใหญ่ส่วนร่างกายนี่เป็นส่วนใหญ่การที่พิจารณาเป็นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นต้นก็พิจารณาร่างกายพิจารณาจนกระทั่งถอดถอนไปได้เลยก็เป็นปัญญาขั้นกลางแต่นั่งก็คิดพิจารณาทิ้งเรื่องเวทน า, นาสัญญาสงสารมิยามซึ่งเป็นส่วนละเอียด เกิดเกิดกับดับพร้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเพราะคําว่าเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเจ๊งฉยมีได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเช่นคนเจ็บไ้าได้ส่ว ย, ยนี้เป็นทุกข์ทางร่างกายแต่ถ้าใจมีความประหลาบประวนไปด้วยใจก็เป็นทุกข์อีกขึ้นขึ้นมาอีกเป็นทุกขเวทนาทางใจนี่ต้องที่เจริญเวทนา มันเกี่ยวโยงกันไปหมดนีงง่แหละแต่พิจานาส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็วิ่งถึงกันเราจะไปทำเป็นแบบอะไเสาสร้างบ้านสร้างเรือนนั้นไม่ได้มีแบบแปลนแผนถังลห้ทําตามแบบนี้และทําตามทั้งดูแบบแปลนทั้งมาสร้างนี้มันไม่ได้พิจาณาตรงไหนให้เป็นหลักปัจจุบันในตรงนั้นเรามีความถนัดในอาการใดแห่งร่างกายพิจรนาในอาการนั้นแล้วมันกระจุชยชาดรวดถึงกันไปหมด เวทนาที่พิจารณาเรื่องทุกเวทนาเพะนั้นมันก็วินเข้าถึงเวทนาทั้งหลายตลอดถึงปัญญาทั้งฐานอย่างมันเป็นอาการออกมาจากจิตคนเดียวกันแต่มันไม่ใช่จิต <c oughs> เป็นถ้าเราจะพูดถึงหลายท่านหรือพูดถึงสามท่านกับปัญญาท่านนี้กับเป็นเป็นขั้นการค่อน ข, ข้างละเอียดปัญญาขั้นละเอียดจริงๆก็ รู้เท่าอาการทั้งห้าแต่ยังไม่รู้เท่ากิจหนะ น, น่งท่านหนึ่งรู้เท่าร่างกายขอถอนอุปทานออกมาจากกายโดยชืนชมยินดีอญาอ้างจะเอาสามท่าน็นนี้ท่านเนี่ยท่นที่สองรูพิจานาเวทนาปัญญาทั้งสามอิน ญ, ญาซึ่งเป็นนามธรรมจนรู้เท่าแล้วปล่อยวางอาการทั้งสี่ เช่นเดียวกับปล่อยวางทางรูป ก, กับทา ง, ทางทร่างกายวารรคที่สามก็พิจารณาที่เข้ารวมตัวแห่งีิเลสทั้งหลายเช่นเดียวกับพิจารณาสภาวธรรมทั่วไปมีเวทนาเป็นต้นจนพร้อมเมื่อพร้อมแล้ว น่เรศที่รวมตัวอยู่ภายในจิตโดยจะพอนั้นก็กระจายออกเรื่อง น, นาจของปัญญาคันละเอียดเลยืีนี่แหละปัญญาขนาันนปัญญาคันนีแบบ้ท่านเรียกว่าสมัยพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเริ่มเป็นมหาสติปัญญามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่กิจนาขันธ์สี่นั่นแ่ละคือเวทนาสัญญาทั้งหลายมีอย่างเป็นมหาสติมหาปัญญามาตั้งแต่นู้นแล้ว ถ้าจิดปัญญาเป็นลงม า, มาถ้าลงถึงขั้นพิจารณาเวทนาแล้วนั่นจิตหาความเถอไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมานี่จิตวิ่งเข้าถึงงานที่กําลังพิจารณาอยู่แล้วทันทีไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดหมุนตัวอยู่กับความเพียรกับงานอันนั้นที่กําลังทําอย่างไม่สำเร็จขี้ขายแยกแยกอยึงทั้งวันก็ทั้งวัน ตลอดรุ่ง ม, มันก็เปลีป่ยนไปนั้นถ้าหากว่ายังไม่แก้กันยังไม่ได้ถ อ, อนกันยังไม่ได้ต้องไม่มีทางแค่สังฆนานกันสู้จนตายมาตายให้รู้เอาไม่รู้ให้ตายเรื่องแค่นี้ไม่มีจิตใจลงถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียรกล้าอืกล้าตรงนี้อ่ะกล้าแท้ๆคือกล้าพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปยัญญาไม่ใช่กล้าแต่เพียงกิริยาการเดินจงกรมกิริยานัง่งสมาธิทั้งที่ใจมันเหอไปทั้งไหน ขอบเขตโลกาธาตุนู่นเจ้าของยังไม่รู้นี่ไม่ใช่าการว่าเป็นความเพียรกล้าคําว่าความเพียรกล้านี้ต้องหมายถึงสติปัญญาสัมพยุทธกับความเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเผยตัวมันเป็นนักต่อคู่ในขณะนั้นนั่นแหละท่านบอกความเพียรกล้าเพราะฉะนั้นในสามยอดเบื้องบนท่านยิงกล่าวว่าอุทธจารสามยอดเบื้องบนความปุ้งคือเชิญในการพิจารณา เธอในงานที่จนกําลังที่จะนาและเพินในผลของงานที่เคยได้เคยรู้เคยเห็นเคยต่อเคยสอนมาเป็นลําดับลำนานมีความเพื่อเธอเลยเห็นว่าสมาธิซึ่งเป็นที่พักสงบเย็นใจนั้นบัเป็นของไม่เกิดไม่เกิดผลิดอะไรนอนอยู่ที่ฉยความจริงสมาธินั้นก็เป็นพื้นฐานให้รับความสะดวกสบายในขณะที่เข้าระเช่นเดียวกับคนทํางานเราจะถือว่า ง, งานนี้ การทำงานเป็นผลโดยไถ่เดียวการพักผ่อนนอนหลับการรับานอาหารทําให้เสียเว ล, เวลาและเสียทิ่ต้นเกลืองอาหารการกินต่างๆนั้นมันก็ผิดเพราะร่างกายเมื่อไม่มีเครื่องบรรเทาไม่มีเครื่องบํารงุงรักษาหรืไม่มีปัจจัยเครื่องอื่นแล้วมันจะทํางานคนไม่ได้แค่ไมันก็ตายคนแม้จะสิ้นเกลืองขับสมบัติหรืออหารการกินแต่มากน้อย ถ้าเสียเวลาไปเข้าการพักผ่อนลอนหลับก็ให้เสียไปในขนาดนั้นการเสียไปของเวลานี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนี้กําลังหรือเสียเวลายึือติ้นเสีองอาหารที่รับทานลงไปก็เพื่อเป็นกําลังของงานกายที่จะทำงานต่อไปให้ถึงผลสําเกตเเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเส่นเดียวกันเวลาจะพักผ่อนพักไม่ต้องกังวลกับเรื่องปัญญาเลยบางภาพเอาไว้ให้อยู่กับความสงบแน่วในขนาดนั้น มาแตะสมาที่ขั้นนี้จะต้องบังคับนะเพราะความเพลินทางด้านปัญญามีกําลังมากพอยที่จะโดดออกไปหา ง, งานที่กําลังทําอยู่ข้างหนึ่จะไม่โดดออกไปไหนไม่เผลอไปไหนครับเป็นความัวพันบุบลืล่นกับงานนั้นเพราะหวังชัยชนะเป็นที่ตั้งความแท่นี้ไม่มีนอกจากตายเสียเท่นั้นกลับให้รู้อย่างเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นนะเมื่อไปถึงนั้นจิต จ, จึงั้องหมุนติ้วติ้วนี่แหละท่านบอกอุาาทาจารย์ยวดเบื้อ ง, งบน จนลืมเมื่อลืมตัวคือลืมเวลาเวลาลืมพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจ ก, การพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจกับการพักเพื่อความสงบทางสมาธินี่มันเกินไปท่านจึงเล่ว่าอุทาจจะเป็นสังโยชน์เครื่องคล้องอันเนืองนี่ถ้าเราแปลออกมาเพื่อให้เหมาะสมเวลาเราทํางา น, นงมากๆเราก็ต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สมาย มีจิตพิจารามากๆเขาจิดเขาเรียกว่าจิตทํางานเมื่อทํางานหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตก็อ่อนเพรียเหมือนกับร่างกายอ่อนเพรียงจึงต้องย้อนกข้ามาพักสมาธิให้จิตสงบแน่วอยู่นั้นไม่ให้จิตรุให้ไม่ทําหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดบางคับให้อยู่จะได้เป็นเวลากี่นาทีก็ตามขอนืองมานี่มีกํำลังแล้วควรจะหน้าที่การงานนั้นอีก เส้นยากับมีไ ด, ด้รับหินแล้วเจ้าของไปรับทานอาหารเขาก่อนมันหลักให้สะดวกสบายไ้มครัไม้ท่อนนั้นแหลคิ้นนั้นคิ้นนั้นแหลมีดเล่มนั้นแหลฟันแล้ ค, ลคนคนนั้นแหละคนเก่านั้นเนี่ยไม้ก็ท่อนเก่าชิ้นเก่านั้นแหี่มีดก็เล่มเก่านั้นเนี่ยคนก็คนเก่าเนี่ย แ, แต่ฟันคราวนี้ขาไดไม่เหรเพราะกําลังก็มีผู้ฟันก็มีกาลังมีดก็กลมก้า เนรับหินียบน้อยแล้วเอาใส่สมาธินี่เป็นเหมือนหินรักปัญญาให้มีกำลังพิจารณาสิ่งนั้นแหละแล้วขาดทวัติไปเลยอุบายของกลางพิจารจะต้องเป็นอย่างนี้นะักปฏิบัติทั้งหลาย <ừ. S 2> ไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงจันการปฏิบัติต้องเป็นอ่งในขั้นพุการท่านย่าว่ามหาสติมหาปัญญามหาคว า, า, ามเทียนก็ปลูกในขั้นนี้แล้ว หาความเจ็ดคานไม่มีนอกจากได้ล้างเอาไว้เท่านั้นมันจะเลยเถอะต้องล้างเอาไว้เพราะเรื่องทางที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์มันเหมือนกับว่าเราเอื้อมมือถึงหนุนนี่แหละอยนี้พ่านคือความพ้นทุกข์อย่างนั้ดิ้นในชือกเอื้อมือเท่านั้นภายหลังข้างหลังที่เราเดินผานมาแล้วนี้มันติดกันอั้นตู้เข้ามามีแต่ปืนแต่ไปพายฮ่ามึงหโมยทิ้วทิ้วทิ้วเคยได้รับความทุกข์มาเพราะ อำนาจของกิเลสนี้มีมากเพียงไรมันประมวลมารู้ภายานใจหมดเพศประเภทยาประเภทกาประเภทละเอียดมันล้วนแล้วตั้งแต่ประเภทที่เป็นไัยหรือเป็นไฟเผาใจเท่านั้นเหศุดายยิ่งต้องจะต้องกระคุ้นกับมันเมื่อทางคุณก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์ด้วยปัญญาการประสอนกิเลสที่เห็นประจักษ์อย้วโทษของกิเลสที่มันยังตอบสนองแต่ก่อนกป็นยังไงมันก็หลูนักคุณค่าของการปัะสอนกิเลสที่ได้ ที่จถอนถอนไปเดิมหับหับนั้นมีมากขนาดไหนมันก็รู้ภ า, ายใใจมีเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเมื่อเป็นเช่นั้นความเพียรจึงต้องเด่นเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรหลือพาดเข้าใจตัวอุทัศจา ร, รูปราคะอรูปราคะเรียกเบิ่งบุนมาหน้อุทจาริศรูปราคะความหมายถึงจิตรูปฌาน นั่งพอพอใจรูประการในระยะนั้นนั่งพอใจอ ร, ออกกรู้ประการออกจากรู้ประการแล้วก็ปิดใจในความว่างอารู ป, ประการคือความว่างก็ติดใจในความว่างคำว่าว่างนั้นมันหมายถึงว่างอยู่บริเวณจิตนะตัวจิตเองเนี่ไม่ว่างเจ้าของเข้าใจว่าจิตว่างมันก็เพลินอยู่ในความว่างอนั้นนะนี่แหละตามหลักความจริงของการพิจารณ ตัวจิตเองทแท้ๆนั้นยังไม่ว่างจะว่างได้งไงอวิชชากดหัวอยู่นั่นน่ะมันว่างได้ยังไงแต่ในระยะ น, นั้นเราหักให้ทราบนะตอนผ่านไปได้เราต้งจะมาทราบทีหลังว่าโอ้เราว่าอันนั้นล่างอันนี้ว่างมันก็เหมือนกับคนเข้าไปอยู่ในห้องอือราจะในห้องนี่มองดูโล่งโถงทัหมดโอห้องนี้มันมีอะไรห้องนี่ว่างว่างก็จริงห้องแต่เราไปขวางห้องอยู่ในนั่นคนเดียวไม่รู้เหรือไปดูนี่ถ้าอยากให้ห้องมันว่างเต็ม ที่ก็ต้องถอนตัวออกมากแล้วห้องมันก็บว่าอย่างนี้ตัวของจิตสถาวิชามันยังพันกันอยู่นั่นเราละลูกแต่รอบข้างรอบตัวของจิตวราล้ามกันหมดล้างไปหมดนี่ท่านเรียกว่ารูปประธานท่านจะว่าคทางไปอีกมีว่างอย่างนี้แล้วมันก็ขยับไป ข, ขยับไปมาน้าคือความถือนี่แหละเนี่ยถือที่ว่านี่ถือผู้รู้นี่ที่เป็นกับสถาวิชานี่ ก็เป็นสิ่งที่สง่าครับเผลอเป็นที่อย่างที่องคอาจทหารเป็นสิ่งที่น้าเป็นสิ่งที่น้าอาศักดิ์กันออที่สุดหน้าติดที่สุดก็คือวิถีคิดตรงปิดที่ตรงนั้นแล้วคําว่ามาหน้าเก้านั่นก็ตรงนี้เองมาหน้าเก้าเมื่อมันมีเครื่องยึดอยู่แล้วมันก็ย่อมอยากจะเทียบส่วนนั้นส่วนนี้กับคนนั้นสูงกว่าเราคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นเสมอเราหรือยังไงเนี่ยหรือคนนั้นยิ่งกว่าเราหรือคนนั้นย่อนกว่าเราหรือคนนั้นเสมอเราอะไรทานองนี้มาหน้าเก้ามันต้งีอย่างนั้น สำคัญว่าตนเสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขาืีย่อนกว่าเขาดียิ่งกว่าเขาเนี่ยเป็นต้นนี่ยางประมาณ น, นั้นนี่นะถือตรงนี้มันก็ออกเทียบเทียงสี่เพราะเขี่ยวมันยังมีนี่ก็อยากอยากเทียบเคียงยนะที่นถ้าอุทัจจกเขาเป็นการเค้นในการค้นการพินิพจน์นมาขอบถอนทเหล็กไม่หยุดยั้ยงาออกงัอวิชชา จจอำนาจวิชาอวิชชาแงอวิชชาจริงๆนั่นนะที่เราถือนั่นน่ะคือใจที่ว่าถือใจนั้นเพราะอะไรจิ้ถือใจพราะมีอวิชชาท้ายถือที่ตรงนั้นพอวิชาแตกกระจายไปหมดด้วยอำ น, นาจของสติปัญญาที่ชันสมัยแล้วไม่มีอะไรจะถือถืออะไรเนถืออะไรเนี่ยนไม่มีใครบอกมันก็ทราบ เมื่อถึงขั้นไม่ถือแล้วมันปล่อยโดยประการทั้งปวงพอะรู้เท่าทันหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่มีพยาณจิอตพอถอนได้หมดรู้เท่าได้หมดปล่อยวางได้หมดรูปเวทนาสัญญาสถ า, านมีญาณนี่มันหมดปัญหาไปแล้วเป็นขั้นชั้นตอนไปเดินหลักแล้วพอถึงขั้นอุทจตหรืออวิช c า a ขึ้นเป็นสองเฉลี่ยนี่มันจึงพิจารณาตั้งแต่จุดนั้นหมทุกญาณเป็นที่รู้เท่าทันแล้ว ทำมามานะที่เป็นก้นสมมติอันละเอียดนั้นนั้นก็ขาดใจไปหมดเรียกว่าทลายไปทันทีเหลือแต่ความรูล้ล้วนๆถืออันไยความรูล้ล้วนๆถือแต่อะไรอ่านเข้ารู้ตามเป็นจริงมีมุติมีมุติมีติญาณั ง, งโ้อติเนี่ยเมื่อจิตอยู่พ้นแล้วยานความรู้แจ้งข้ามาจิตหยุดพ้นแล้วย่อมมีแนี่ ย, มม ย, ยไรไู้เท่าในความหุดค้นอีกด้วยพูดง่ายๆไม่ถือมั่นในความบุดพ้น คือว่าหมดประการทั้งปวงนี่ภาคปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ว่าสมัยท่านพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอขอให้นํามาคใช้เถิดเราอย่าไปคิดการนั้นสมัยนี้สถานที่โน่นที่นี่ภาษาว่าท่านบำเพ็ญอยู่โน่นท่านไหนบรรลุธรรมเราประมาณช่วนี้มันห่างไกลกันเหเกินมันห่างที่ตรงไหนทุกอยู่เต็มหัวใจของเราเพราะพิเลนเป็นเครื่องครอบคูนขึ้นมาได้แก่สมุทัยมันมันมันห่างกันที่ไหน เราจะทำมันอยู่ในตัวของเรานี่ยทุกเพราะอํนนานาจแห่งสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามันก็เด่นชัดอยู่ภายใิตเผาติดอยู่นี้ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายนี่ก็คือทุกเพราะอนนานาจของพิเลศอาชวะความมตัญหาเพราะวหามติเพราะว่าการห า, า, าเป็นต้นนี่เป็นผู้ผิดแล้วสมุทัยนี่มันห่างไปไหนจากใจของเรามันติดอยู่กับใจของเราเหมือนกับติดอยู่กับใจของสาวกหรือพระพุทธเจ้านั้นเองตั้งแต่ท่านยังละไม่ได้แล้ว นิโรธคือความดับทุกจะดับที่ตรงไหนทุกมีอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องหาวิธีดับให้ได้ดับไปโดยลำดับลำับด้วยมัธิมาคติปัตถ า, าสรุปลงแล้วได้แก่สัมมาทิสตรีสัมมาสัพโปกสถามสมาธินี่ลงมาตรงนี้เอาสรุปลงไปอีกได้แก่สติปัญญาสัาทธาความเฉียบเอาฟาดลงไปนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ห้ามหันชี้เล็บให้แหลกขปได้ชี้เล็บกลัวจะพราะสติปัญญาสัาทธาความเฉียราะนั้นอย่างอื่นชี้เล็บไม่กลัวฟาดกันลงที่ตรงนี้เมื่อ ลงที่ตรงนี้ถูกจุดของสัจธรรมถ้าจะทําทำลายสัจธรรมคือมรรคปฏิปทาทําลายสมุทัยอริยสัจมรรคพระสัจจังคือมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งทําลายความจริงไปเป็นข้าศุดของใจออกได้แล้วทุกข์ไม่ต้องบอกดับไปเองข้อสมุทัยตายแล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตายไปแล้วดับไปแล้วผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะ่ยมั่อมรมาปฏิปทาได้ วาดลงเต็มที่เต็มฐานนี่โรคคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเกิดขึ้นนั่นนั้นเองเพราะเป็นผลของการปราบตามพิเดศให้สิ้นทากไปจากด้วยมัจจิมาปฏิปทานแล้วห่างไหมนี่ที่ปู่นนี่อยู่ที่ตรงไหนอยู่อนเมืองอินเดียเหรืออยู่สมัยก่อนห้าร้อยสองพัร้อยปีหรือรักพิจารณาที่นี่การพิจารณาของทางพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนที่ไหนอืม ทุกรที่ถูทั้งหลายเถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำที่เราถาคตแสดงไว้แล้วนี้พระอรหันต์จะไม่สิ้นสูดจากโลกหันี้พระอรหันต์หมายถึงอะไรก็หมายถึงรูปรอบปฏิจะทําทั้งสี่นี้แล้วไม่ต้องบอกว่าพระอรหันต์ก็เป็นเป็นไม่ได้เลยนี่มันมันอรหันต์โกงข้ามที่หันเปโน้นหันไปนี่ผิด หันไปรักหันไปชังหันไปโกรธหันไปเกลียดหันไม่เป็นท่าอะไรหันเรามันหันอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นหันเหมือนพระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าหันข่าเปลี่ยนแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หันอย่างหัวข้ามไปแล้วขึ้นปงจับตัวพัดหันพลิกพี่พี่นาพี่เนี่ยปัญญาต้องแก้จาของอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาคิดขึ้นมาด้วยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมะเหมาะที่สุดแล้ว ครูวาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านยื่นให้แล้วเราแม้จะยื่นให้แล้วยังหลุกไม้หลุกมือไปได้เกิดแบบประโยชน์อะไรอันใดให้เราคิดขึ้นมาเราได้เงื่อนจากครูวาอาจารย์แล้วนำเงื่อนนั่ น, น, นเข้าไปเาปราพูปฏิบัติกําจัดสิเลดด้วยอุบายวิธีการของเราโด ย, ายโอาศัยครูวาท่านสั่งสอนนั้นเป็นต้นทุนไปค้าหากำไรโดยลําพังตนเองด้วยวิธีการคิดอ่าน มสติปัญญาของเรานั่นแหละกินไม่หมดสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากตนขึ้ขึ้นมาเองไอไหนไม่อั้นตู้คนเราถ้าตนสร้า ง, งได้เองคิดได้เองเอาที่ตรงนี้นีเถ้าจะไปผลใจกับการกระาำที่ให้สนใจกับสัจธรรมที่มันมีอยู่นี่อันในที่เป็นเครื่องกัก้นกลางของผลนิพพานอยู่เวลานี้คืออะไรนอกจากทุกข์กับสมุทัยในขณะนั้นไม่มีอันในที่เป็นอำนาจราศนาน ท, ที่จะมากาักา้นกลางของผลนิพพานได้และทุกสมุทัยที่เป็นเครื่องกัก้นกลาง มาผลิพันธ์อยูานี้อยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ที่หัวใจของเราอาแก้ลงไปที่ศีลที่มาที่ปัญญามีอยู่เครื่องมือที่ทันสมัยมีอยู่ผิดขึ้นมาสติผิดขึ้นมาศรัทธาความเพียรหมุนกันหมุนกันเข้ามาปัญญาพิจารณาค้นคว้าลงไปทามันเห็นมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เป็นทุกข์ความรักความทางความรักขันนั่นหมายว่านั่นเป็นนั้นนี่เป็นนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นแหละเป็นเครื่องที่เสริมทุกขึ้นมาพิจารณาแยกแยะมันเห็นเรื่องทุกข์ทุกข์ในกายเอามันทุกข์ ถามหนังถามเนื้อถามเอ็นถามกระดูกไปแล้วก็จิดจองไปสติจอดไปแยกแยะออกมาดูใจอีกอันไหนมันเป็นเราเป็นของเราอะไรมันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเป็นทุกข์หนังก็มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มีมาตั้งแต่มันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอันเดียวกันทําไมร่างกายไม่ดับไปด้วยเมื่อทุกข์ดับไปนี่พิจารณาเห็นชัดเจนมากที่มันไม่ใช่อันเดียวกันแต่เรามา บวกเข้ามัเป็นอางเดียวกันบวกก็เป็นเดียวกันแล้วร้อนน้ำไปยังมาเราร้อนอีกถือสองท่นสามท่นต้อเป็นทุกข์หลายท่านนาที่ราะความสํองการความต้องกาน le, ี่แหลยท่านเรียกว่าสมมุทัยถือพิรุธแยกแยะมาเห็นทั้งความตํางัาทั้งเราที่มันเป็นหมายช่างตายว่าส่วนในเป็นเราเป็นของเราส่วนในว่าเป็นทุกข์ว่เป็นทุกข์กำหนดลงไปกงหนดลงไปจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันถอนตัวเ ข, เข้ามาเอง กายก็เป็นความจริงเวทนาก็คือความทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงจิต ก, ก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่เป็นขั้นขั้ น, นตอนๆไปอย่างมีการี่เศษ น, นี่แหละผู้ขั้นกามวาควรจะผ่านคือสมาหมูไทยตัวนี้อะ่ะติดอยู่ที่หัวใจเนี่ยไม่ได้ไปจิดอยู่ที่ไหนนะการส ถ, ถานที่ไม่มีอำ น, นาจจะมา ปิดกั้นมะขุนิพพานเราได้อืการเวลาเนี่ยถ้านานขนาดไหนไม่ทั้งขาดสถานที่อยู่ที่ใดก็ตางไม่ทั้คัาดน่าจะผู้มาผิดกั้นมะขุนิพพานแต่เป็นข้ามุทัยคือกิเลสที่เกิดขึ้นายในใจเราเนี่ยเป็นเรื่องข้างลางมาขุานขาไม่รู้แจง้แจงแทงตลอดในความยิงเหลายที่มีอยู่กับตนจึงต้องพิจารณาลงที่ผรงนี้ เมือ่อพิจารณาล่งทีตรงนี้ด้วยสติปัญญาสตากลมเที่ยมแท้เต็มเหนียวลงไปแล้วยังไงก็ต้องรู้ไปโดยลำดับลำดับผ่านไปได้โดยลำดับแล้วเราหลุดพ้นไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเมื่อหลุดพ้นไปได้โดยความสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละคือนิ่ เ, เรียกว่างานธรรมะของเรานี่เสร็จแล้วรู้สิตางประมาจาริยังเสร็จแล้วงานในพระศาสนาที่เราบําเพ็ญยากลาบากมาแทบล้มแทบตายเอาชีวิตประกันคันนี้ แรกกรณนนีได้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะนี้เนะการตังกรณียังจิตที่ควรทําให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเนะนับบาลังอิสตาญติการตังกรณียังจิตที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วนับบาลังอิสตาญาติปิชานาติจิตที่จะให้ทําทําให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะได้รู้แล้วถึขขงความพอตัมันยิ่งใหญ่เลยนะนัตถีดานิพุนพัพภะบัดนี้ความเกิด อ, อ, อีกความเป็นอีกในภพน้อยภพใหญ่ดังที่เคยเป็นมาแล้ว่ได้ตัด ขาดทายวจากยาจากนิดสารโลหิตของวัตตจักรทั้งหลายากลายเป็นิบัติตะจักขึ้นมาแล้วภายในจิตพรอบหน้าของพระสี ม, มาบรรดาเป็นผู้ฟาดฝังนั่นเป็นผู้เผาเชื้อทัางหลายออกจากเนื้อจาร์ถึงขนาดนั้น แ, แสนสบัดที่นี่ขภนยในก็ะพา ย, ายตาดูเต็มตาก็ได้หูฟังเต็มหูก็ได้ไม่ต้องวิตกที่จาร์ตัวสิ่งนั้นจะมากระทบใจใจจะเหลวไหลใจจะอรอกรอกแยกความแพร่ไม่มีดูได้เต็มตาฟังได้เต็มหู ความตำหนิต le ah ิเตียนก็ฟังได้เต็มหูความชมเชยก็ฟังได้เต็มหูแต่ไม่ยึดทั้งสองอย่างเพราะความพวกิกรําทั้งสองนี้มีน้ําหนักเท่ากันความชนะเชิญก็เกิดขึ้นจากหัวใจเขาทําเป็นความชนะเชิญคนอื่นก็ดีความติดสินอินท่าก็เกิดขึ้นจากมู้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเมื่อฟังแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเขาจิตพอตัวแล้วไม่ดิ้วไม่โหยไม่ยึดอะไรไม่คว้าอะไรเข้ามากินมาดื่มพอเป็นยาคิษให้เผาดู่นัวเองเหมือนแต่ก่อน ที่ยังไม่บริสุทธิ์นั่นนี่อยู่สบายิงไปไหนก็สบายทั้งนั้นอ่ะเมื่อจิตสบายแค่ดวงเดียวอยู่ไหนสบายหมดไม่ถามว่านรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนี่พานอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามมันเต็มอยู่ในนี้รู้ไปต่างนี้แล้วถามไปหาประโยชน์อาะไรแม่ถ้ารู้แล้วไม่ถามถามาอะไร<ม>เหมือน<ม>เรากราหิวข้าวอะไะอะไรก็ดีไปหมดเหมือนจะหวานจะมันไปหมดเวลาอิ่มแล้วมันพอแล้ว อะไรมันองไม่เห็นสนใจนี่อหารชนิดไหนมันก็ไม่สนใจถ้ามันอิ่มแล้วมันพอตัวแล้วนี่พอละในคำปัญญาที่บางหนึ่งนึ่พูดไปพูดมาหนักปัญญามาธิอบรมแล้วจะมีผลมากนี่เองนี่มันจะเข้าง่ายนะตรงเวลามันเคลื่อนที่มันถึงมองคับบางทีบางที ไม่พอมันถามไปแล้วถึงคนรู้ชัโอเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งกับที่ปรัฒนานี้แยกกันไม่ออกหน่แม้แต่ทัศนธาศาท่านท่านกระตัอ้มอาศัยสมาธิเป็นวิหารธรรมเพื่ออยูบายในทิศถัดไปจนกระทั่งวันท่านวิปัสสนท่านถึงจะบเกองนี้อันนี้เป็นวิหารธรรมท่านชื่สมาธิปัญญาพิจารณาเหตุผลตรงนั้นตรงนี้นทำในแง่ต่างๆหรือที่นาล่างกายเป็นเป็นวิหารธรรมเหมือนกัน มันก็เป็นเื่องนรุ่นลงในภัยระหว่งางการรบที่อยู่คลองตัวกันเราเป็นไปด้วยกดฬาถาวรถึงอายขุขายบานทีจนลำขาขังขันนะมันหมุนไม่หยุดไม่ถอ ย, อยนี่หมุนม่งกันแต่มม่คิดที่จขณะนขนั้นนะพอหยุดคิดปั้นกุ้งแต่งานนี้น คือเราความคาดของเรานั้นอ่ะกับความจริงนี่มันไปคนมันไกลหางนคนละโลกเลยล้วนคือเราคาดว่าอย่างนี้น่ะถ้าจิตนี่ได้มีความละเอียดรอเข้ามาสลายก็ยิ่งจะมีความผาสุกสบายงานก็ยิ่งจะน้อยสบาน้อยเข้าไปสบายก็ไปเรื่ๆนี่เราคาดเราคิดนะแต่เวลาความจริงมันเป็นอย่างนั้นเข้าสมาธินี่ก็เหมือนงานน้อยจริงๆเพราะพี่นาเขาไม่รวมต้องบอกว่าอยู่สบายเป็นคนขี้เกียจนอนตายกับสมาธินั่นความจริงจะของขี้เกียจต่างหาก ตอนนี้มันงานน้อยคือมันอาศัยความสงมบ ม, มันติดความสบายข้อข้างหน้บญญาบรายพอได้เห็นผลข้างหน้านบัญญายนะที่นี่มันเห็นผลแล้วนะที่นี้มันเริ่มเริ่มหมุนเรื่อหมุนเรื่อยพิจาาไปเรื่อยเข้าใจเรื่อยแก้เรืทอทอทอท่อยถอดถอ่เดือดเรื่อยขาดเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยๆอยเอาลรงที่นี่นะนั่นทีนี้ก็เป็นธรรมจักรหมุนตัวเป็นเกลียวเอาและทิ้งต้องในหลังของมันแต่ที่เมรัง มันเคลียถึงร่างกายก็เคลียด้วยแล้วไม่ใช่เจ็บแต่ตรงนี้นะ่ะ่นร่างกายทุกส่วนรู้สึกเคลียเพราะจิตมันทํางานปัญญามีเจตนาความกว้างาก็เรียกว่าทํางานก็ลำเผือบเราคิดไว้ว่ า, วาเมือ่อจิตมีความละเอียดแล้วออกก็ไปอะไร่เดียมีความฉุกมากมีความสุดมา ก, ก, ามมากทาไมจริงมันึเป็นอย่างนี้มันสุกมากงไงมันวุ่นกับงานตลอดจนจะแทบจะเป็นยาตาย ภาวะ ง, งานมันก็ยิ่งมากขึก้ไปเรื่อยๆนั่นไม่เหมือ น, น, นตั้งแต่ก่อนที่เราคาดไว้ว่าสิ่เรี่เข้าไปอะไรงานมี่ต่น้อยลงไปน้อยลงไปแล้วจะมีความสูงยิ่งสบายไปยิ่งสบายเรือยหมดไปเลยขึ้นไปเลยนี่มีเป็นความคาดสําคัญมันไม่ใช่ความจริงเว่าความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นพอถึงขั้นปัญญานี่แล้วโอ้โหมันวมมกว้างกว้างกว่าอะไรมันหมุนตี้วติครอบโลกภพในส่วนร่างกายอันนี้อันนี้แหละกว่ามันวิ่งมากเหมือนกับน้ํา โจนลงมาจากไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกับน้ําอะไรที่มาไหลลงเรื่องน้ำน้ําตก่ะเห็นแม่สาบ้างที่ชหมมันเหมือนอย่างนั้นปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายมันรุนแรงมากเหมือนกับอน้ําตกเฮ้ยพอร่างกายหมดมนั่นแล้วมันเข้าไปส่วนอาการของขันถี่นี่คือเวียนาเนี่ยแล้วขันอีกยาง มันเป็นน้ำทับน้ำซุ่มที่นี่ไหลลินอยู่ трав, ทั้งแรงทั้งฝนก็คือตลอดเวลาหากไม่แบบน้นตกเพราะอันนี้มีส่นไม่ใหญ่แล้วมันก็หมุนเหมือนกันเป็นเพียงว่าหมุนแบบนี้คือหมุนเบาๆหากมุนไม่อยู่ตอนพิจารณาร่างกายนี่มันเห็นกับน้ำตกไหนตันไหนตัวมาจากภูเขาเลยน้ำถ่ายถดังทั้งไหนเนี่ยถ้าเราจะเทียบนะนี่พออันนี้หมดปัญหาไปแล้วเหลือแต่นามาทำพิจารณารัญญาณร่างกายัน มันก็ไหลดิ่มอยู่แล้วผมพิจารณาไม่ไม่ถอนนี่หนียังก่อนเราคิดค่าน้อยตั้งแต่โตรับคิดมีความละเอียดแล้วพออะไรก็ยิ่งจะมีความสุกความสบายสักงานการก็จะค่อยเบาไปด้วยทำไมมันกลับโงมันข้ามไปทั้งหมดแล้วเมื่อไรมันจะได้สะดวกสบายทีบางพอหยิบแล้วนี้ยปั้มก็ทํางานแล้วนะ คือเราลัล่นไว้มันคิดทรมารย์พอปล่อยปั้มปุ๊บใส่งานที่มันกาลังทำมันยังไม่เสร็จคือยังไม่รู้แจกในจริงอันไหนแล้วมันจะต้องตายด้วยกันคุณยังไงเรื่องแพ้เนี่ยมันไม่ยอมนอกจากตายผมให้รู้ให้ผ่านก็ได้ใช่ไหมจนกระทั่งมันไปทั้งหมดกําลังมันที่จะไปแล้วมันก็ระ ง, งับไปเอง <c oughs> สติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่นั่นก็มันก็ระ ง, งับไปเอง ไ <esteem S 2> อ้หลักธรรมชาติเหมือนกันเป็นอัตโนมัติเหมือนกันพอมนถึงขั้นมันระงับแล้วมันหายเงียบไปเลยเหมือนบางคนไม่มีสติปัญญาอยู่เฉยๆถวัดถว่เกียจเหมือนขี้เกียจคือไม่มีงานทำหมดเดินยังคงเหมือนบ้านนี้เราก็งพูดคุกันเองนะเดินยังคงก็เรแต่ก็เล่นมันเยอะเห็นแต่แต่กัางทีทือมนทั้งๆเดินยังคงเล ไม่ไหนมังอะไรมังเล่นกันวันด้วยความรักมันตสงสารมันไม่ได้เล่นดัวยความพนองคือความเมตตานั่นแหละสำคัญมันก็เล่ามาข้างบนมึงกลัวกูเลยกูไม่ได้ทำอะไรมึงไปที่เหมือมันอูเราผ่านไปแต่ก่อนมาถึงนั้นแล้วมันกลับมึงจะกามมัไปเลยนู่นเข้าอุ่นไปก็กิเดี๋ยวนี้มันไม่สนใจมาปุ๊พุกบปุ๊แต่เรามาถึงตรงนี้มันเร่งหน่อยไปถึงนั้นมันก็ดี ไปเลยแล้วพอเพียเดียวกลับมามันผ่านไปกุฏิโยมแม่นี่พอร่าก็มาหากินตงนี้กินแล้วงแตงโมก็มีมาจากนากุินี้กันเล่นเล่นขาเล่นมันนู้นเห็นสัตว์ไก็เล่นกระตัง่นเลยเล่นก็มัน้องถ่ามหยุดทำอยุดเนกรมนี่นอกจากทาแง่ในแง่ที่็นองหามา ทำแง่นี้มีความหมายแง่ไนี่มันจะมีความัสัมัสัมันจะตามมืนะจกระทั่งมันเข้าใจแล้วถ้าปล่อยเฉยเยมไม่มือจะติดกับยาเยนีหรือทาสัมผัสทำบนใดแง่ใดอย่างนี้มันมีความหมายหรือตัวอย่างอไรอมันสัมผัสน้วมันจะตามมันจะหมุนเพราะั้นการมีสัมผัสามสัมพัทก็จึงเป็นอย่างนั้นไปกระหม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ คือเรากำลังเราพิจิณาขอเราเชิญปรารวเราเวลาตากรรมมาก็หลีกให้หมู่เพื่อนมาก่อนแล้วเราก็พิจิณาเรามาดดูก็เป็นใจทำให้สะดกบายหัวหน้าหัวหน้าเงี้ยด้วยหวน้าเ้ มันเป็นการพยุงระหว่างธาตุขันกับกิตด้วยการเป็นผาสิถ้าเราใช้ริยาผู้จิตมากๆนี่ธาตุขันมันก็เพื่อถ้าเพื่อแล้วมันเราแทะทั้งธาตุขันนั้นไงจิตมันจะหลแทมันได้อย่างไงมันแทะธาตุขันเนี่ยคือไม่ถึงอายุขายพวกนี้ก็เหมือนอ่าเรามีเงินร้อยบาทวันหนึ่งเราใช้ยี่บห้าบาทพอดีกับครอบครัวงเรานี่เราไปใช้แค่วันเดียวร้อยบาทมันก็หมดเป็นวันเดียแทนที่จะได้ทิ้งสี่วันมันก็ไม่ได้ หนึ่งร้อยบาทวันใช้วันนี้มีผ้าบาทแทนที่จะจะสูงสี่วันไม่ได้สินี้อายุไขของเราสมมติว่าเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่เป็นอายุไขนี้ถ้าเสมุททั้งวันมันยืมหาทําถ้าเป็ น, 1, มม ต, น, มม ต, นต่องอยูมม่ระหว่างคันก็สิบแล้วมันแทนที่ถึงนู่นมันก็ไม่ถึงนะเราพยายามรักษาความเหมาะสมกันมันก็ถึงอายุไขได้มันลู้อยู่ภายในจิ้พ่าว่ามันขัดกันเมื่อไหร่แล้วฝ่าดท่าข า, าดคันนั้นอไหร จะเป็นฝ่ายบอกทั้งส่วนจิตตอนนี้มันจะบอกอะไรแต่คิดถ้าว่าจิตมันเลยถงมุดทุกสิทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรบอกมย ง, งั้นเป็นอาการลิโพอาการลิกจิตอาการลิคภาพถระสงฆ์ทายครูบาอาจารย์ท่านหลังท่านทาความภาคภ็มิตลอดเวลาตลอดขั้นถึงลันท่านนิพพานก็เพอเห็นนั่นเองมีความจาเป็นระหว่านงนั้ิ อมันไม่มีมุ่งจะถอดถอนกิเลกตัวใดถ้ามันหมดไปแล้วก็จะอะไรมาถอนมันไม่มีอะรมเงียบเหมือนบ้านร้างพูดอย่างเงากิเลกไม่หมดไปแล้วมันก็เงียบแลหนึ่งมันไม่เงียบกว่ากิเลสก่อควรยุแย่ยู่ตลอดเลยแหละเพราะธรรมชาตินั้นหมดไปแล้วมันต้องมีอะไรมากอบควรยุบแย่อะไรลำบาก ขันมันจะขันนุ่นล้วนยิบปุงยิบแ่บยิบแยกของมันยิดปุงอะไรมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมโดยหลักธรรมชาตของมันเราไม่ต้องไปใช้มวยเปิดขันเลยเราต้อระวังรักษามันจะเป็นพายรุ่มันจะนําเรื่องอะไรมาสู่เราไม่จาเป็นมันเป็นธรรมชาติของมันคิดเรื่องอะไมันคิดแตเข้าว่าผ่านไปพร้อมพร้อมมาพร้อมดับไปพร้อมดับแต่พร้อมทุกขณะที่คิดดับไปพร้อมพร้อมล้วนอยู่นั่เป็นหลักธรรมชาติเราก็ลุยโดยหลธรรมชาติทั้งขันไปใท้มันก็เป็นไปตามหลัธรรมชาติของมันนั่น ทาว่ามีกีเลสอยู่ภายในเป็นเครื่องมือกิเลสไม่ได้นะักขันเนี่ยมันก็เป็นภยยัยเหมือนกันเหมือนมีดเล่มนี้นะถ้าไปฟันอะไรให้มันเป็นโทษก็ได้ฟันหัวคนก็ได้เนี่ยขึ้นแทงใครก็ได้มาฟันทำความประโหน์มันก็ได้เนี่ยมีดเล่งนี้ขันนี่มัน ข, ข, ข, ของกลางแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลส ก, ก็ไปใช้ให้ทําลายเจ้าของทําลายอะไรต่ออะไรยุ่งกันนี่พอ กิเลสตัวต้องการมันดับไปแล้วเร็วโจรหัวโจกที่เป็น เ, นเจ้าของของขนันนี้ดับไปแล้วก็มีธรรมขึ้น แ, แทนแทนที่แล้วก็เป็นเครื่องมืมอของทางพระพุทธเจ้าประกาศธรรมจากโลกอาศัยขนันเสด็จไปที่ไหนมาไหนตลอดถึงปรุงธรกิจที่แสดงมาเป็นอัจฉริธรรมที่นิพพินาเรื่องอะไรนี่ก็อาศัยขนันปัญญาก็เป็นที่ยญาหนึ่งยี่มาใช้งาน เพื่อทำประโยชน์ใกเหนียวกว่าขันรุน่นรุ่เป็นไรถ้าจะถึงอายุขัยถึงการมีพี่ทราว่านะเราจะเทียบนะถ้าว่าจิตนี้มีเครื่องมือเป็นของตนคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีเครื่องมือเป็นของตนโดยมันต้องมาใส่สมมุติเป็นเครื่องมือสมมุติคือขันท่านี่มันเป็นเครื่องมือของกิเลสมันเป็นวัตจกักร มันมันเป็นสมมุติจิตที่เป็นมุตให้มีเครื่องมือเป็นมิมุตมาท้ายจะไม่มีอันใดที่จะสวยงามจะหน้าดูจะอจจะจัศจรรย์ยิ่งกว่าลวดลายของจิตที่บริสุทธ์แสดงตัวออกไปสมมติว่าแบบแสดงการเสดศนาว่าการวิธีการแนะนําของฝังใครก็ตามให้จะมีเครื่องมือสำหรดบจิตนั้นโดยเฉพาะจะหน้าไม่มีอะไรน่าดูยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านแสดงกิริยาของธรรมออกมา ด้วยเครื่องมือของท่านโดยเฉพาะอันนี้ท่านไม่มีก็ต้มาใช้ขันเป็นเครื่องมือขันนี่มันเป็นสมมติจิตมันเป็นมิมุติก็ต้องมาอายสมมติท้ายเพราะงั้นจิญญาที่สืเป็นเหมือนโลกเคยเคยช้าเคยเรวนี่จิตนิสัยเป็นยังไงมันก็ต้องคงเส้นคงวาให้มันแบบเดมเดิมถึงเยอะกว่านี้สายเ่องที่จะพูดหนักเบามากน้อยเข้มข้นถึงเรื่องคำนั้นหลายทีนี้ก็เอา เรงขาเนี่ยมาใมันก็เป็นลักษณะเหมือนสโปวดเหมือนโมโหโถโถไปเที่ยความอริงเป็นพลังของทำแสดงออกมานั้นมันจะพลังของกิเลสพลังของอารมณ์ที่เกิดจากกิเลสแสดงออกมามันผิดกันตรงไนี้ถามว่าทำจิตกรรมจิตกรรมวิถีมีเครื่องมือถึงของตนใช่หรอโว้โจะน้าดูที่สุดมันมีอะไหน้าดูดี มีอะไรคล่องใจไหมล่ะท่านอาจารย์หมอวันนชาม่อยู่ไน้วางมีันไหนอย่างเงี้ยมละกนางอางอย่างเงี้เป็นไงบางเนี่ยมีขั้นยามีขั้นการแล้วปขั้นละเอียดหรเปล่าอ๋อขั้นละเอียดก็นที่เราภาคเทศสารโดยขั้นสุดท้ายนี่ขาดไปหอดนั่นหละเข้าไปรวมอยู่นะับนั่นหละเป็นอัญชาแท้นั่นหละจอมประศัตริ์ของ ขเขาเรียกเป็นไรเราเรียกว่าครับเป็นไมกก้กราเรียกว่ารากแก้วรากปอยตัดเข้าไปต่อไปเข้าไปถึงหน้ากแก้ถ้าเป็นต้นมันก็เรียกว่าแก่งถ้าเป็นหน้า ก, ก็เรียกว่ารากแาท้วไอ้การทีอ๋อแม่แต่มาร์คาปัญญานึ่งหลงกลมายาวมัน ฝ่ายมันเรี่ยขนาดเรี่ยขนาดนั่นแหะขนาดสติปัญญาปน้องมันเนีต้องหลงกลมันแต่เป็นองค์ครักษรักษามันมก็เลยซ้าไป้ปคนถึงหนังเขงหม้ต่อไอ้ตายหน้าหวานคมด้วยตัวเล็กไม่อะไรมาแตะต้องของมันใสมันไม่หยัดละออมันอ้อยอิงไม่มีอะไรเหมือนเลยเวลาเข้าปัญหาไปถึงตัวใจจริง แทนที่มันจะเป็นภาพเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนถีมันมันกลับเป็นอะไรยางนงามตะ ก, กวงอะไรได้เย่เจ้าสติปัญญาที่ฝึกมาอย่างเกียง์ไกลแล้วมันก็เลยกลายเป็นองค์ขลักขลักษาเนี้ยไม่อะไรมาแตะต้องมันสลับทับ ส, บบ ส, บบสบบ ล, ลับทับปัญหาแต่ไม่ได้สัมผัสดะไยเบื้องอะไรที่มันสลับทับสลับทับเลยรักษาวิชาไว้ใช่ไหมการโยงคลักวิชาในเบื้องต้นตรงน เขาไม่มีอะไรเดือมีอันเดียเท่านั้นไม่มีอะไรที่พิมพ์มาแล้วหมดเหานี้มันรู้แล้วรู้หมดแล้วมันปล่อยเท่นั้นแหะมันไม่สนใจรู้อะไรแล้วปล่อยมันจะดูรู้สึกที่ขนาด้าเคยที่ความตลอองาจจ้าขานรกฏทั้งว่าอัศจรรย์ของวิชานี่ก็อัศจรรย์จงขนาสติปัญญาอัตนมัติชมเชยพู้ดึงงานนะยกย่องมเชยถวายเกิดไปดูพรลักษณกูึงงาน แต่เพราะแนวอันนั้ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วมันจะเกี่ยวครบั้นไหนก็ตามมันจะแสดงอาการ่ให้เห็นจนได้จากด้วยสติปัญญาอัตโนมัตินี้มันก็แหลมคมม่นจเล่นเพราะไม่ใช่เรียงรักษาอย่างเดียวยังต้องสังเกตว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับนี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับนี้มันจะทีนี้มันก็มีเพราะอันนี้เป็นชัวสมมติที่สมมุติที่จะแทรกขึ้นมากับสมมุตินี้ก็ได้จากความขลองใส ความเจ้าหมองคือความผ่องใสนั่นผ่องใสตามส่วนของของทําละเอียดเจ้าหมองก็เจ้าหมองตามส่วนของธรรมละเอียดมันหักมีจนได้แม้จะละเอียดขนาดไหนสติปัญญายนี้มันก็ถังมันก็รู้เมื่อแสดงขึ้นมาหลายครั้งแล้วผม ม, ม, มันก็ทําให้เอกใจเอ๊ะทำไมธรรมชาติอันนี้หนึ่งวัจนจดโงเส้นโงวานแล้วทําไมจริงต้องมีอาการแปลกๆให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวผ่ อ, อ, องใส หรือว่าาหมอถึงจะะเอียดแค่ไหนก็ตามนะคิดละเอียดแค่ไหนความเศ้ามองคามของสายก็จะละเอียดจะทำตามกันนั่นนะถึงแม้เช่นนั้นมันก็ไม่ทนกับพิจิตตัญญาที่จอนิ่งตลอดเวลาไนดะ้ทั้งที่ราาักษาอยู่มันก็แสดงการเห็นพิรุธมันกระจัดปั้าไปเลยเลยเอาจุดนี้เป็นสนามโลกศิลป์เอ๊ะนี่มันอะไรที่เป็นอย่างนี้ต่ำจะรู้นะว่าเป็นของดีของดีว่าเป็นของเฉียววิโสทำไมจึงมามีอาการ เท่าหมองม้ากอาการขงสายบ้างมีลักษณะทุกบ้างสูกบ้างทำไมที่มาเป็นอย่างนี้คือทุกกระทุกตามผลละเอียดของทำของสิตนั้นไม่ทุกมากก็พอให้รู้จนน่าเพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่แย่ทีมมากนั่นก็จากจิอนั่นเป็นต้นเหตุที่นี่จิตนั่นเลยเป็นจิตพิจารณาไปแล้เหมือนกับสภาวะทั้งหลายเราผ่านก็ได้เพราะเราพิจารณาเข้าใจแล้วสั่งไปสั่งไป ทีนี้อันนี้มันกำลังตัวแต่งตจอเข้ามานี่ก็พิจารณาเนื้อเข้าใจตามกับหาดลอยไปเลยนี่เลยทีนี้เมื่อเราเทียบถึงว่าอาว่าเป็าอาต จ, จารของวิชานี้กับคำอาตจรของจิตที่บริสุทธิ์นั่นทีนี้มันไปเป็นคนละโลกเลยถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เหมือนกับกองที่คลายกับกองอกับทงองคําทั้งก้อนติดกัน ความบริุ น, น, น, น, ออนั่เหมือนทองคาทั้งแท่งทั้งก้อนอวิชชาเหมือนฟองขี้ควายเท่นะมันมันขัข น, น, ขนขนาดนั้นหนมันผิดขนาดน้พราันจรงใครก็ตามถ้าไปเจอนี้ได้หลงคนนี้อยู่แ ล, แ, ลแล้วแล้วค่อยผานทีหลังยังไงก็ต้องเกิดความสรดใจเห็นความโมโหเองโงอ้โหโอ้โหขนาดนี้เจอเลลอวิชชาขนาดนี้เจอโอ้โห โ, โอ้โหเลย เราเนี่ยมันอัศจรรย์อะไรกองที้ฝ่ายมันมาหลงกองขี่ควาจนได้เนี่ยแต่สติปัญญานั้นเนี่ยเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้แต่เวลาที่กินน้ำไปกาน้ไปมันก็เล่อมาไปเล่ามาไปมันก็ไปถึงจุดสุดท้ายให้มันสุดท้ายคือจุดนี้ถ้าว่าเพี่ยนแล้วมันไมต้องแบบนี้เลาน้กายนี่จะไม่กลับมาเกิดอีกก็ตามมันก็ยังจะต้องเกิด ท่านนัน้นนี้เนเี่ยตอบถก็เนียกว่าเกิดแต่เกิดในภ โ, โลกห้าท้านเป็นต้นเนี่ยอภิหาตปาตุลาตุลาศิปัทมิทาห้าทั้งนี้เป็นขั้นที่อยู่ของพระอน า, าคามซึ่งกาลังดาเนินอรหัรตธรรมจิตถึงขนนั้นนั้ น, น, ววนลแล้วเนียกว่ามันเลยอหัตธรรมแล้วถ้าเราพูดตามหลักป ย, ยัดเรืมีเหลือตั้งแต่ตตัวเดวร่นรแล้วมันเป็นอมรมัรร กำลังแต่เป็มผุยังพอรูปปั้มกับเป็นอาหารตะนี่ขึ้นมาแต็มผุยพู่านี้รอ้าเข้ามาจะวดคือไม่เกี่ยวกับผู้มาอบรมึกษาเวลาเข้าไปน้อมพอถึงคำพันอย่างนี้มันมักจะหมาคือมักจมายมักจะฆ่าทุวาจารย์ผู้นั้แล้วนึกน้อมออกผิดั่ตัวอกระต้นั้นงๆถึงมันไม้กินแล้วมันก็เป็นความผิดของผู้นั้น ถึงต้องระวังกันี้นะแต่ไม่อธิมาแล้วได้พวกนี้ก็ไม่เข้าใจเวลาตะขินหรือตะขิ่นหนึจจ่งข้าไปก็ได้ยื่นอะนี้มาเป็นหลักขอถ้าว่านั่งนั่งมันก็มีทางที่จะพิจารณาอไปแต่ถ้าถ้าบอกอย่างนี้แล้วพูดจะดเห็นกลงนั่นน่ะมถิติประจำวันไปรอบนอักถึงว่าจะเป็นขั้นนั่นต่อตามมันก็ได้ขึ้นอยู่กับมิตรใจอีกเหมือนกันยองไงบอมันจะคล่องแค่แค่กล้าต่างกัน อีอ่ะต่างกันถึงมารถีปัญญาังน่ก็ต่างไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบยาตมุงอาจจะไปน้อมนึกเอานั้นมาเป็นของตัวรล่าเขาจะ่าตัวเป็นอย่างนั้นรึเปม่าแล้วมันกนหนักไปลำบาท่านสามาถท่านูสว่าท่านหลับมากพอจมาอธิบายถึงจุดนี้ทัางเดินเยอปั๊บเลยออกข้างหน้าอธิบายพอไปท่จูเรื่งท่านเดินปั๊บเดินปท่านไม่เข้าจุดนันเลย คือกลัวธรรมะท่านี้ไม่เข้าัมาททีหลังโอ้ท่านท่านไม่เข้าครอบครัวจะไเกิดความวาความรักใคร่านหมายขึ้นมาในบ่มกบฎเถินพูดถึงเรื่องธรรมะเถินจ่าในอะไรก็ไม่เคมนทำพูดนี่เถินเลยวะนย่้วให้เพื่อนรู้เห็น พูดคนเดียวเหมือนกับบ้างนหือพูดคนเดียวเหมือนมาโกหกหมู่เพื่อนอมาทำของทีริงอยู่กับหัวใจทุกคนทําไมจึงกอ่อตั้งแต่ของตองไม่ตลอดเวลาที่อยุคทุกยอบที่ฟากปันแผ่นแหลนไม่ที่ไหนอย่าไปคาดอดีตอนาคตยิ่งกว่าปัจจุบันซึ่งเป็นที่อยู่ของศาสจาธรรมนี่การพิจารณาตรง พูดอะไรก็ตามในวงปฏิบัติโดยจะฟอยแล้วอยากไปฆ่าจงกระถาผิดเอารูกขึ้นมาอย่างไหนก็ครับเป็นเรื่องของเราเป็นอย่างนี้เรื่องท่านเป็นท่านตอนเรื่องของเรามันเป็นอย่างนี้ครัมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้เราจะเป็นน้อมของเราอยากให้เป็นเหมือนท่านอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผิดเป็นวิสสมาธิเป็นร่วมอย่างสนิทหนึ่งนี้นะแล้วก็น้อมปิดให้มันเป็นสนิทท่าท่านจะมันไม่สนิทมันก็ถิดมันเป็นยังไงก็มันเป็นตามหลักนิสัยตัวเองใ้รู้ตัวเองเป็นสมัครตัวเองนี่ สมาร์องเราเป็นอย่างนี้สมาร์ทเขาเป็นอย่างนั้นมีสมาร์ทตัวเป็นอย่างนี้ให้มันรู้จัคาดหวังนี่เป็นของตัวเป็นของสัวนั่นแหะถูกต้องเห็นระวัะะะงการเดือดนะมันหนักเป็นเองนะคือความรู้เท่าเหมการมันหักไปยืดได้จนยืดจนได้เนี่ต้องไดืเตือ น, นอย่างนระวัง ม้าวกันละเอียดมันยึดแบบละเอียดเนี่ยเราไม่ทันมันเที่ยเมื่อที่สอนมู่เพื่อนถึงเรื่องสติัญญาว่สอนพว่ททำท่านนี้เป็นทัางทันข้าจิตปัญญาต้องประมวลมาตั้งแต่บัดนี้เรื่อยมาฝกเรื่องสติปํางาเมื่อข้าตาตแล้วมันมีทางออกได้เรื่องสติปัญญาเป่นยำยำนาครับสติปัา้อไม่มีค่าย แล้วจะทำงางเมื่อเขาถึงํามาแล้วใหญ่มันก็ตายอยู่นั้นที่ทำไม่ได้ทิฎดา่ากล่ามื่ด้ดา ว, าา ว, าวาอานี้ยเฉพาะเอ็นี่เขอมองามองอมองไปดูวนเปิดนี่ไปแล้วนีขอมองไปพูดมาคํหนึงส อ, องคก็ป่วยนี่ไปแล้วมันแสดงเห็นความโง่ความขลาดอยู่ในตัว อแล้วนี่พวกยาดองานทักตื่นกันแล้วนั้นเนี่พอประเทศตรางในคัวบ้างแล้วถึงมันท่ามลุ่มกันมาแล้วเหมือนจะมาตั้งเป็นกฎันึงให้เราเราได้ดุกเรื่อยแล้วมันมันเป็นกฎหน้า